เมื่อ ใ, ใจมีสรณ ะ, ะคือที่พึ่งใจก็ย่อมจะเล่นไปในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ใจย่อมจะกําหนดอยู่ในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ จึงนำให้ปฏิบัติในศีลทำกายวาจาตลอดถึงใจให้บริสุทธิ์เป็นกุศลและกรรมบดเป็นสุจริตทางกายกรรมมจีกรรมมนกกรรมและทำความเห็นให้ตรง ต ร, ต, ร ต, รตรงต่อพระพุทธเจ้าตรงตรงต่อพระธรรมตรงต่อพระสงฆ์เมื่อเป็นดังนี้แล้วก็ให้เริ่มปฏิบัติในสติปัฏฐานคือตั้งสติพิจรารณากายเวทนาจิจธรรมต่อจากนี้กข็ขอให้ตั้งใจฟังสละตั้งใจทงควาสมสงบสืบต่อไปบรนี้จาก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 เพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมจะแสดงพระคุณของพระพุทธเจ้าบทว่าอารัง ความหมายที่สองว่าผู้กำจัดข้าศึกผู้ทำลายข้าศึกอันข้าศึกนั้นที่เป็น ฆ่าศึกศัตรูปัจจามิตรทั้งหลายเมื่อยกเข้ามากยม็ยอมทำลายล้างชีวิต ร่างกายรักย์สินย่อมกดคี่บังคับขับใสให้เป็นทาส สิ้นความเป็นไทยข่าศึกศัตรูจึงเป็นภูเบียดเบียนทำลายต่างๆ ให้บังเกิดความทุกข์เกิดร้อนดังที่ปรากฏอยู่ในโลกนั่นเป็นศัตรูภายนอกเป็นคาาสุดภายนอกเพราะฉะนั้น มูชนที่อยู่กันในโลกนี้รวมกันเป็นประเทศชาติยิ่งต้องมีการป้องกันมีการต่อสู้ อาศึกศัตรูทั้งหลายมีให้พ่ายแพ้เพราะถ้าพ่ายแพ้ก็จะต้องถูกทำลายล้างหรือว่าถูกกดฮิกคีคมเหง บังคับขับไสต่างๆต้องตกเป็นทาสพระพุทธเจ้าทรงกำจัดข้าศึกหมายถึง ทรงกำจัดข้าศึกภายในคือกิเลสพร้อมทั้งบาปอกุศลทุจริตทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นเพราะกิเลส ได้สิ้นเชิงด้วยวากิเลตนั่นชื่อว่าเป็นขาดศึกซึ่งเป็นภูทําลายล้าง คือเป็นภูทําลายล้างคุณงามความดีทั้งหลายทําลายล้างความสุขดังจะพึงเห็นได้ว่าเมื่อกิเลสบังเกิดขึ้นเช่น โลภะความโลภหรือราคะความติดใจ ย, ยินดีโศะความขัดเคืองโมหะความลงหรือที่เรียกว่าตัญหาความดิ้นรนทยานยาก ทำให้จิตใจเดือดร้อนเหมือนอย่างกอไฟขึ้นในใจเผาใจตนเองฉะนั้นจึงเรียกกิเลสเหล่านี้ว่าเป็นอคีคือไฟ ทงที่เรียกบุบไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะในอาทิตตปริยายสูตรของพระพุทธเจา้าซึ่งเป็นเทศนาครั้งที่สามราจะนั่น อิเลตเมื่อเกิดขึ้นก็เหมือนอย่างเป็นไฟที่เผาจิตใจเหมือนอย่างคาสึกภายนอกยกเข้ามาเผาบ้านเผาเมือง ทำกิจใจให้ไม่เป็นสุขและก่อเจตนาให้ประกอบกรรับที่เป็นบาปเป็นอกุศลเป็นทุจริตทางกายทางวาจาทางใจต่างๆมันดาอกุศลทุจริตดังกล่าว ย่อมเกิดจากกิเลสทั้งนั้นกิเลสก่อให้มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นบาปอกุศลทุจริตต่างๆพร้อมทั้งกิเลส ท, ที่เป็นเหตุให้เกิดขึ้นยังเป็นภูทําลาย กุศลบุญทุจริตต่างๆทำลายล้างความดีและการที่มนุษย์เบียดเบียดซึ่งกันและกัน ทำลายร่างกายกันฆ่าฟันกันซึ่งเป็นการทำลายล้างชีวิตตั้งแต่ระหว่างบุคคลต่อบุคคลจนถึงระหว่างหมู่จนถึงระหว่างประเทศ เป็นสงครามระหว่างประเทศจนถึงเป็นสงครามโลกว่าขาวฟันกันล้มตายนับแสนนับล้านคนทำลายลางบ้านเรือนทรัพย์สมบัติต่างๆของกันและกันเหล่านี้ก็เกิดเพราะกิเลสทางนั้น จึงให้กอ่อกรรมซึ่งเป็นการเบียดเบียนกันดังกล่าวถ้าหากว่าไม่มีกิเลสเป็นเหตุกอ่อขึ้นความเป็น่าศึกศัตรูกันภายนอกก็จะไม่มีความเป็น่าศึกศัตรูกันภายนอก ที่เรียกว่าขาสึกว่าเรียกว่าศัตรูกันนั้นก็เกิดจากกิเลสนี่แหละทงะ้งนั้นเพราะฉะนั้นตัวขาสึกที่แท้จริงของโลกของชาวโลกของแต่ละคน จึงอยู่ที่กิเลสนี้เองกิเลสนี้เองเป็นตัวคาสต์สำคัญซึ่งมันเกิดขึ้นในจิตใจและกิเลสนี้เองย่อมกดคี ผมเห็บังคับขับใส่โลกหรือชาวโลกให้กอบกระทํา กรรมซึ่งเป็นเครื่องเบียดเบียนกันดังกล่าวซึ่งยกตัวอย่างมากล่าวนั้นหรือจะยกตัวอย่างสี่งห้าว่าการผิดสี่งห้าทั้งห้าข้อนั้นก็เกิดมาจากกิเลส ท, ทั้งนั้น การผิดศีลแ8ก็ดีศีลสิบศีลสอง้อยี่สิเจ็ดก็ดีหรือว่าเรียกอย่างอื่นว่าจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลก็รุ่นเป็นเพราะกิเลสทางนั้นซึ่งบังคับขับใส่ จิตใจของบุคคลทั้งหลายให้ประกอบกระทาไปตามอำนาจของกิเลสและสัตว์บุคคลทั้งหลายก่อรูป อ, อำนาจของกิเลสเป็นธาตุของกิเลส เป็นธาตุของตัญหาคือความริ้นรนทยานอยากต่างๆในข้อนี้ถ้าพิจารณาดูให้ดีแล้วก็จะเห็นว่ากิเลสหรือตัญหาดังกล่าว เป็นนายที่ครอบงำบังคับขับใส่ตะวโลกหรือชาวโลกหรือชาวมนุษย์ทั้งหลายซึ่งเป็นบุทุชนยังหนาแน่นยด้วยกิเลสให้ประกอบบาปอกุศลทุจริตต่างๆ ให้เบียดเบียนกันต่างๆดูไม่วางเวทแม้ว่าในภายนอกจะเข้าใจกันว่ามีอิสระเสรี ไม่เป็นธาตุของใครแต่เมื่อพิจารณาให้ดีที่จิตใจแล้วก็จะเห็นว่าส่วนมากนั้นอย่างลูกอำนาจของกิเลสของตัณหาเป็นธาตุของกิเลสเป็นธาตุของตัณหา ดูโดยมากทั่วไปไม่มีอิสระเสรีของจิตใจที่แท้จริงเพราะฉะนั้นในโลกนี้ เมื่อยังเป็นโลกของมุทุชนคนที่มีกิเลสหนาจลินกล่าวได้อย่างถูกต้องต่อสัจจะคือความจริงเม่ต่างเป็นธาตุของกิเลสเป็นธาตุของตัณหา กันอยู่ทั่วไปก็ะฉะนั้นจึงได้มีความคิดที่เป็นตัวเจตนาจงใจที่จะทำลายล้างสันละกัน ที่จะเบียดเบียนซึ่งกันและกันตั้งแต่ในระหว่างบุคคลในระหว่างหมู่ในระหว่างประเทศจนถึงในโลกทั้งหมดหาความสงบที่แท้จริงม่ได้ระหว่าง ไม่มีอิสระเสรีที่แท้จริงเมื่อยังเป็นทาตของกิเลสเป็นทาตของตัณหาอยู่ก็จะต้องเป็นเช่นนั้นจะต้องเป็นเช่นนี้เพราะฉะนั้นกิเลสนี่แหละจึงเป็นตัวขาดศัตรู ยามิตรที่แท้จริงของบุคคลที่ยังมีเลสอยู่ด้วยกันทางนั้นซึ่งกิเลสนี้ตามที่ได้กล่าวแล้วว่า พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นอาคันตุกะคือเป็นภูที่จรมาอาศัยอยู่ในจิตนี้ทำจิตนี้ซึ่งเป็นธรรมชาติประพัดสอนให้เป็นจิต ที่เศร้าหมองเพราะฉะนั้นจึงเรียวกว่ากิเลสที่แปลว่าเครื่องเศร้ามองและจิตนี้เองก็มีความติดใจยินดีเพลิดเพลินอยู่กับกิเลส เพราะฉะนั้นยึงกลายเป็นาธาตุของกิเลสดังกล่าวและกิเลสก็เขา้าเกาะอยู่กับจิตเหมือนอย่างค่าศึกศัตรูในภายนอกในโลกจึงยกเขามายึดประเทศใดประเทศหนึ่งไว้ได้ ก็เข้าครอบครองประเทศนั้นทำให้ประสบใีกรณ์ของประเทศนั้นต้องตกเป็นทาสและก็ครอบครองอยู่อย่างนั้นไม่ยอมปล่อยกิเลสก็เช่นเดียวกัน เมื่อเป็นอาคารุ ก, กัคือเป็นแขกเป็นภูที่เข้ามาอยู่ในจิตใจก็เกาะอยู่กับจิตใจจึงเรียกว่าอาสวะที่แปลว่า หักมมเรียกว่าอนุสยัยที่แปลว่านอนจมอาสวะนั้นแปลว่าดองก็ได้เหมือนอย่างเครื่องดองของเมาซึ่ง ม่ปรุงเข้าแล้วก็ทำให้เกิดเป็นสุราเป็นเมรยัยทำให้เมากิเลส ท, ที่เขามานองใจอันเรียกว่าอาสวะหรือเรียกว่าอนุสัยที่แปลว่านอนเนื่องก็เช่นเดียวกัน ก็มานองใจหักหมหมใจให้ใจเกิดความเมาเป็นตรูอวิชชาคือความไม่รู้อันที่จริงนั้นจิตพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นวิญญาณธาตุคือเป็นธาตุรูป รัสว่าเป็นธรรมชาติประพัสซ้อนคือผุดพองและตรัสว่าเป็นวิญญาณธาตุคือธาตุรู้คือมีความผุดพองอยู่ในตัวมีความรู้อยู่ในตัวแต่ว่าเมื่อโูกกิเลสเข้ามาเป็นอาสวะนอง ก็ทำให้จิตนี้เมาทำให้ความรู้เป็นความรู้ผิดเป็นความรู้ที่ไม่ถูกต้องอันนี้แหละยังเรียกว่วาวิชาที่เราไม่รู้ไม่ใช่หมายความว่าไม่รู้อะไรอะไรรู้แต่ว่าเป็นความรู้หลงเป็นความรู้ผิด าะเหตุว่าถูกอาสวะเข้ามาดองให้เมาเหมือนอย่างคนเมาก็ทำให้ความรู้วิปริษ์ไปต่างๆเป็นความรู้ผิดจิตนั้นมิ่งดองของเมา คืออาสวะอนุสัยนี้เข้ามาอยู่เป็นประจำแล้วจึงมีความเมาซึ่งเป็นตัวอวิชชาคือความไม่รู้อันหมายถึงรู้แต่ว่ารู้ผิดรู้หลงรู้ไม่ถูกฉะนั้นจึงเรียกว่าโมหะความหลง มีอยู่เป็นประจำและอันนี้แหละก็เรียกว่าอาวิชชาสะวะอาสวะคืออวิชชาและนอกจากนี้พระพุทธเจ้ายังได้ทรงแสดงเอาไ ว, ว้ว่ากิเลสที่ดองจิตนั้น ซึ่งมีอวิชชาเป็นข้อสำคัญอันเรียกว่าอาวิชชาสะวะนั้นเมื่อมีอวิชชาจึงมีราคะคือความติดก็ติดอยู่ในกิเลสนั่นแหละ เรียกว่ากามาสะวะหรือเรียกว่าราคานุัสกามาศวะอาสะวะคือกามที่แปล ว, ว่าความใคร่ หรือความรักซึ่งเป็นความรักใคร่ต้องการหรือเรียกว่าราคานุสัสกิเลส ท, ที่เป็นอนุสัยคือที่นอนเนื่องอยู่คือราคะความติดใจคือความติดเหมือนอย่างสีที่ย้อมผ้าสีก็ติดผ้า กิเลส ก, ก็ติดอยู่กับใจใจก็ติดอยู่กับกิเลกและภาวาสวะอาสวะคือพบ